พระพุทธศาสนาที่พวกเรากราบไหว้บูชานับถือเชื่อฟังเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่ประเสริฐเหนือกว่าบุคคลทั่วๆไปเพราะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือทรงเห็นพระอริยสัจสี่ ความจริงสี่ประการที่ผดดู้ใดถ้าได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายนจในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏในไตรภพได้ความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่มีความฉลาด มีความสามารถเหนือกว่าสัตว์โลกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นมาหาจากักรพรรดิเป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการต่างๆก็จะไม่มีความสามารถมีความรู้เท่า ของพระพุทธเจ้าได้การปรากฏของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากน า, นานจะมีการเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุธรรมและมาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้การมีพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนกับการมีเรือที่มาช่วยคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลนั่นเองเช่นคนที่ประสบอุบัติเหตุทางทะเลเรือล่มอยู่กลางทะเลถ้าไม่มีเรือมาช่วย ก็จะต้องจมน้ำตายกันอยู่ในทะเลสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนคนที่จมน้ำคนที่ลอยคออยู่ในทะเลมหาสมุทรต้องมีเรือมาถึงจะช่วยพาขึ้นฝั่งได้ถ้าไม่มีเรือก็จะไม่สามารถที่จะว่ายน้ำพาตนเอง ให้ไปถึงฝั่งได้พระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนเรือที่จะมาช่วยสัตว์โลกที่ติดอยู่ในพบในใจภพในวัฏฏสงสารในการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสนาจะสามารถพาให้ผู้ที่ เวียน่ายตายเกิดอยู่นี้ได้ไปถึงฝั่งที่ไม่มีการเวียน่หยตายเกิดฝั่งที่ปลอดภัยจากความเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่าพระนิพพานนี้เองอการจะไปถึงพระนิพพานได้จึงต้องมีพระพุทธศาสนาพาไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ก็จะไม่สามารถไปถึงฝั่งได้ยกเว้นคนที่ฉลาดระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถาสร้างเรือขึ้นมาเองและพาเอาเรือพาให้ไปถึงฝั่งได้นอกนั้นแล้วจะต้องอาศัยพระพุทธศาสนามารับไป การที่จะมีพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งตัดสรู้พระอริยสัจสีก่อนเมื่อได้ส่งตัดสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเอาไปศึกษาน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถไปถึงฝั่งคือพานิพานได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรุปพระอริยาาสัจสีแล้วทรงนำเอาพระอริยสัจสีนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่รู้เพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติและจะได้ไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าบางพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสาร้แล้วแต่ไม่ได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน สัตว์โลกก็มีอยู่พระพุทธเจ้าที่ตัดสัูวแล้วนําเอาคําสั่งสอนมาเผยแผ่ก็มีอยู่ถ้ามีการเผยแผ่ก็จะมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีการเผยแผ่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าที่ไม่เผยแผ่พระศาสนา ก็จะเรียกว่าพระประเจกรพุทธเจ้ารู้ได้รู้เฉพาะตนตัดสัลูเฉพาะตนหลุดพ้นเฉพาะตนเองไม่สามารถที่จะช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ทรงตัดสัลูแลประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สัตวโลก ก็จะเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบไหว้บูชากันอยู่นี้ก็เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสัูวพระอริยสัจ ส, สี่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาพระอริยสัจ ส, สี่นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้หลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาในพระพุทธศาสนา เราจึงมีพระอาหารหันต์อยู่สองรูปแบบด้วยกันพระอาหารหันต์ที่หนึ่งเรียกว่าพระอาหารหันต์ตะสมมาสามพุทธเจ้าคำว่าพระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วผู้ที่ได้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้กําจัดกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วเพราะกิเลสตัณหานี้ s แหละเป็นผู้ที่พาสัตว์โลกให้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันพอได้ตัดสู้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากกิเลสตัณหานี้ถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้อง หยุดกิเลสตัณหานี้และทมที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่เป็นชื่อของมรรคแปดเพียงแต่บางครั้งพระองค์ทรงย่อลงเพื่อให้ความเข้าใจง่ายขึ้นก็เลยทรง เปลี่ยนชื่อเป็นศีลสมาธิปัญญาบ้างเป็นทานศีลภาวนาบ้างแต่นี่คือการปฏิบัติที่จะกำจัดหรือหยุดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่สิ้นกิเลสจึงมีชื่อว่าพระอหรหันต พระอาหารหันต์นี้ก็มีสองแบบเป็นพระอาหารหันต์โดยตนเองด้วยด้วยความสามารถของตนเองก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ไปศึกษาไปถามผู้ที่มีความรู้ให้ช่วยสอนวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ช่วยสอนวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป แต่ก็ไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลามีแต่รู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่มีความทุกข์เป็นพักๆได้ก็คือให้เข้าไปในสมาธินี่คือยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาทรงปฏิบัติ ก็ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆเพราะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ก็สอนมีอาจารย์ที่สอนให้ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวโดยการเข้าไปในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิใจก็จะสงบเย็นสบายมีแต่ความสุขความทุกข์ไม่ปรากฏในขณะที่อยู่ในสมาธินั้น แต่พอออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มมีความทุกข์ต่างๆเข้ามาทันทีไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์เหล่านี้เกิดจากอะไรไม่มีใครรู้วิธีที่จะหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้เมื่อไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นเป็นสมณะโคดมเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่สะละราชสมบัติแล้วก็ออกบวช เป็นสัมมณโคดมตอนนั้นก็ต้องไปค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองหาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรและหาวิธีที่จะกาจัดเหตุนั้นในที่สุดพระองค์ด้วยความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ก็ได้สได้ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ที่พาให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้และวิธีที่จะหยุดกิเลสตัณหาก็ต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติมาในบางส่วนขาดตรงส่วนคือปัญญา ที่ได้ส่งเสริมหลังจากที่ได้ค้นคว้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็ทรงเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาการเวียนว่าตายเกิดเกิดจากกิเลสตัณหาการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากกิเลสตัณหาการจะหยุดกิเลสตัณหาก็ต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เองพอ ได้ทรงคนพาได้ทรงปฏิบัติก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เราเรียกว่าพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสคือพระอรหันต์ถ้าสิ้นกิเลสด้วยตนเองก็เรียกว่าพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ตัดจรูปอริยสัจ ส, สี่ด้วยตนเองและเอาพระอริยสัจ ส, สี่ความรู้นี้มากำจัดกิเลสที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือพระอาหารหันต์แบบที่หนึ่งมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นก็คือพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้บูชากันอยู่จนถึงทุกวันนี้ แล้วหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสู้แล้วพระองค์ก็เอาความรู้นี้คือพระอริยสัจสี่ไปเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลังจากที่สั่งสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังน้อมนำเอาไปปฏิบัติเอาไปกำจัดกิเลสตัณหาด้วยศีลสมาธิและปัญญา ก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพระอาหารหันต์ชนิดที่สองนี้เป็นพระอาหารหันต์เพราะมีผู้สอนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนในอันดับแรกพระอาหารหันต์ชนิดที่สองนี้เราจึงเรียกว่าพระอาหารหันต์ตะสาวกเราจะไม่เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้า เอาไม่ได้ตัดสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยตนเองได้อริยสัจสี่จากพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังนี่เองหรือผู้ศึกษาหรือนักเรียนนี่เองคำว่าสาวกนักเรียนก็คือผู้ที่ฟังคำสอนของครูของอาจารย์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนนักศึกษาสมัยก่อน เขาก็ใช้คำว่าสาวกสาวกนี่แปลว่าผู้ศึกษาเป็นผู้ฟังฟังจากพระพุทธเจ้าในอันดับแรกครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศคำสอนประกาศพระอริยสัจสี่ผู้ศึกษาเมื่อฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติและกำจัดกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้จิตใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าความสะอาดบริสุทธิ์ของพระไทยของพระพุทธเจ้ากับความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจของพระสาวกนี้เหมือนกันเหมือนเสื้อผ้าที่นำเอาไปซักให้สะอาดเสื้อผ้าของพระพุทธเจ้าคือจิตใจ มัหลังจากที่ได้ซักฟอกเรียบร้อยก็สะอาดเสื้อผ้าคือจิตใจของพระสาวกเมื่อนำเอาไปซักฟอกก็สะอาดเหมือนกันใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระสาวกนี่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันบรรลุถึงพระนิพพานเหมือนกัน ะนิพานก็คือที่อยู่ของจิตที่สะอาดบริสุทธินั่นเองจิตที่ไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพอีกต่อไปออนี่คือพระอรหันต์ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนามีอยู่สองรูปแบบด้วยกันออมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งมีอยู่เพียงรูปเดียวของแต่ะพระพุทธศาสนา นอกนั้นจะเป็นพระอาจารย์ต่อสาวกทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรูปก็จะเป็นนักศึกษานักเรียนไม่ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่เป็นนักศึกษามาก่อนศึกษามาจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงได้มาเป็นพระอาจารย์ต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ เสด็จดับขันธ์ทัปาริณิพานไปแล้วหลังจากที่พระสลีละร่างกายได้กลับคืนสู่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาหลานตัสาวกที่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคําสอนแทนพระพุทธเจ้าต่อไปผู้ที่มาศึกษาจากพระอาหลานตาสาวกก็จะ ได้ยินได้ฟังทาอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและเมื่อนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระอาจารตสาวกก็สามารถทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระอริยสัจ ส, สี่ให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่และสั่งสอนเมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมก็จะมีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อย พระพุทธศาสนาในหัวใจก็อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองนี่คือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาถ้ามีพระพุทธเจ้าก็จะมีพระธรรมคําสอนประกอบขึ้นมา เมื่อมีพระธรรมคำสอนก็จะมีพระอาหารหลันตสาวกปรากฏขึ้นม า, เ, าเมื่อมีพระอาหารหลันตสาวกก็จะมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนต่อเนื่องกันไปเรื่อยเมื่อมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็จะมีผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุเป็นพระอาหารหลันตสาวกกันนี่พระศาสนาจึงมีการเจริญมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ความเจริญของพระพุทธศาสนานี้จเจริญที่จํานวนของผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันนี่คือตัววัดที่แท้จริงของพระพุทธศาสนานไม่ได้อยู่ที่จํานวนของวัดวาอารามที่มีอยู่ไม่ได้อยู่ที่จํานวนของพระ ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัตินะครพอถ้าศึกษาและปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ได้สําเร็จยังไม่บรรลุก็ยังถือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่สามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อะพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปได้อันยาวนานนี้ อยู่ที่จำนวนของพระอริยสงสาววกอยู่ที่ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ศึกษาได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามมและพาาระอรหันต์พระอริยบุคคลทั้งสี่ขั้นนี้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นพระ อ, อริยสัจสี่เหมือนกันแต่การปฏิบัติยังปฏิบัติไม่ไปถึงขั้นสูงสุดขั้นที่หนึ่งก็ได้ปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองที่สามและขั้นที่สี่ต่อไปซึ่งก็จะเป็นไปอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเช่นพระโสดาบันนี้เมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้ จะต้องไปถึงพระนิพพานจะต้องได้หลุดพน้นจะต้องเป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเียงแต่ว่าเวลาอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากสำหรับพระโสดาบันที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่คืออยู่ในการมาพบอยู่ไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าเป็นพระสะกิดาคามีนี้ก็จะเหลือเพียงหนึ่งชาติก็จะสามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเป็นพระอนาคามีก็จะไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรมโลกจะไม่มาเกิดในในโลกของมนุษย์หรือโลกของเทวดาแล้วพอเป็นพระอาหารหันต์ก็จะหลุดพ้น อย่างถาวลพระอริยบุคคลทั้งสี่ระดับนี้ไม่ต้องมีครูอาจารย์สอนแล้วเพราะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมีทางเห็นทางที่จะไปสู่พระนิพพานแล้วจะไปเกิดในยุคไหนสมัยไหนที่ไหนจะมีพระพุทธาศาสนาอยู่หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับพระอริยบุคคลนี่คือ เรื่องของศาสนาเราจะวัดความเจริญของศาสนานี้เราต้องวัดที่จำนวนของพระอริยบุคคลเท่านั้นเพราะมีพระอริยบุคคลเท่านั้นที่รู้ทางสู่การหลุดพน้นรู้ทางสู่พระนิพพานและจะสามารถสอนผู้ที่ไม่รู้ทางให้หลุดพ้นได้ถ้าเป็นพระธรรมดาเป็นพระปุถุชน ที่ได้ศึกษาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่สามารถเผยแผ่สั่งสอนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าสอนก็จะสอนแบบผิดผิดถูกๆูกเพราะความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษากับความรู้ที่ได้บรรลุจากการปฏิบัตินี้ จะไม่เหมือนกันเหมือนคนที่ไม่เคยไปสถานที่แห่งหนึ่งกับคนที่เคยไปสถานที่นั้นแล้วจะมีความเห็นไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราไม่เคยมาที่บนเขานี้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าที่บนเขานี้มีอะไรอยู่บ้างเราก็ยังต้องใช้จินตนาการ เวลาที่มีคนบอกเล่าให้เราฟังว่าบนเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่มาบนเขาเนี่จะมีจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบถ้วนบริบูรณ์จะเห็นแบบคนที่ยังไม่ได้มาเห็นไม่เหมือนกันความรู้ที่ได้จากการศึกษายังไม่เป็นความรู้ที่แท้จริง ยังไม่สามารถที่จะนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการรู้จากการศึกษาเป็นเพียงแต่รู้วิธีการปฏิบัติรู้วิธีที่จะไปสู่การหลุดพ้นแต่ยังไม่ได้ไปปฏิบัติยังไม่ได้ออกเดินทางเหมือนมีเหมือนมีแผนที่ว่า จะไปที่เชียงใหม่ไปอย่างไรแต่ยังไม่เคยไปเชียงใหม่เองขับรถไปนี่ก็อาจจะหลงทางได้เพราะมีเส้นทางที่จะต้องอเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถ้าเผลอไปเข้าอีกเส้นทางหนึ่งแทนที่จะไปถึงเชียงใหม่ก็อาจจะไปอจังหวัดอื่นแทนก็ได้แต่ถ้าผู้ที่ได้ออกเดินทางและ คอยดูเส้นทางอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาจะต้องเลี้ยวตรงไหนจะต้องผ่านตรงไหนก็ทำไปตามทุกขั้นตอนก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติกับความรู้ที่เกิดจากการศึกษาจึงต่างกันเหมือนกับคำโบราณที่พูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนั่นเอง การศึกษานี้เป็นเหมือนสิบปากว่าได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่เห็นถ้าปฏิบัติแล้วถึงจะเห็นผู้ที่เห็นธรรมก็คือพระอริยบุคคลนี่เองพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์ดังนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมเราก็ต้องศึกษาจากพระอริยสงสาวะอก ถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกเราก็ต้องศึกษาจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยก็คือพระธรรมคำสอนที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่พระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก็เหมือนกับได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าพระไตรปิฎกนี้ มีจำนวนมากมีท้องแปดหมื่นสี่พันธรรมขันแปดหมื่นสี่พันบทผู้ศึกษานี้ก็จะต้องค้นคว้ายอยู่อย่างมากมายกว่าจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรมากแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าไม่มีใครสอนก็ต้องอาศัยความพยายามศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาพระไตรปิฎกจนกว่าจะไปพบวิธีของการปฏิบัติว่าการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกนี้จะต้องปฏิบัติอะไรถ้าไปศึกษาแล้วไปพบมรรคแปดหรือไปพบศีลสมาธิปัญญาหรือไปพบทานศีลภาวนาก็จะรู้ว่านี่คือวิธีที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ ทีนี้ขั้นต่อไปก็ต้องศึกษาลายละเอียดว่าทานศีลภาวนาเป็นอย่างไรทำไมต้องทำทานทำไมอีกพวกหนึ่งไม่ต้องทำทานเกิดพวกที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราก็ต้องศึกษาพิจารณาดูเพราะผู้ที่เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนานี้ก็มีหลายจำพวกด้วยกัน พวกที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่เช่นญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมันนี้เป็นพวกพวกผู้คลองเรือนกันคำสอนคือที่จะให้ผู้คลองเรือนได้ไปหลุดพ้นก็ต่างจากคำสอนของผู้ที่ออกจากเรือนแล้วคือนักบวชเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนนักบวชก็ทรงสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเลย แต่พอเวลาสอนผู้ครองเรือนก็ทรงสอนให้ทำทานก่อนทำทานแล้วจึงค่อยไปรักษาศีลแล้วค่อยไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปเพราะว่าสถานภาพของผู้คองเรือนกับของนักบวชนี้ไม่เหมือนกันนั่นเอง นักบวชนี้ได้หลุดพ้นจากเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไม่มีภาระเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็เลยไม่จําเป็นจะต้องสอนให้เลือกให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ก็เว่าญาติโยมผู้ที่ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็ต้องสอนให้สะละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนด้วยการทําทานนี้เองนี่ยนี่เกิดทำไมมักจึงมีไม่เหมือนกันสําหรับผู้ที่เป็นนักบวชกับเป็นผู้ครองเหลือ น, นี้มักจะต่งจะต่างกันตรงที่การทําทานหรือไม่ทําทานนี้เองเพราะสำหรับนักบวชนี้เขาได้ทําทานหมดไปแล้วทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ที่เขามีอยู่เขาได้สละไปหมดแล้วยกให้คนอื่นไปหมดแล้วถ้ามีครอบครัวก็ยกให้ครอบครัวไปเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชก็ทรงสระละราชาสมบัติไปมอบคืนให้กับพระราชบิดาคืนให้กับภรรยาให้กับบุตรทดาไปพระผู้ที่จะไปปฏิบัติเพื่อการดุจพ้นจะต้องไม่มีอะไรมาพลุงพลัง มาเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้นั่นเองถ้ายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาคอยเฝ้าดูแลอยู่ใจก็จะต้องมีเหมือนกับสมอเรือพูดง่ายๆเรือนี้เวลาจะออกเรือจะให้เรื อ, อวิ่งไปทางไหนนี่ถ้ามีสมอเรือหรืมมีเชือกผูกเรือไว้กับท่าเรือนี้ เขาจะต้องถอนสมอเรือออกหรือถอนเชือกออกจากท่าก่อนเรือถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนได้วิ่งหรือแล่นไปไหนมาไหนได้ถ้ายังมีสมอเรือยังมีเชือกผูกอยู่กับท่าเรือเรือจะวิ่งไปไหนไม่ไหนไม่ได้จะออกเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้จันใดผู้ที่ต้องการจะไปปฏิบัติ เพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงจำเป็นจะต้องอสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก่อนเพราะถ้ายังมีความผูกพันอยู่ก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ไปก็อาจจะไปแบบสามวันห้าวันเช่นในฐานะกาวาดในขณะที่เริ่มหัดปฏิบัติใหม่ๆ ก็สละสมบัติชั่วคราวไปอยู่วัดสามวันบ้างห้าวันบ้างหรือนานก่อนนั้นบ้างก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความสามารถแต่ไม่นานก็จะต้องกลับไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่อไปก็เหมือนกับเรือที่ออกวิ่งได้สามวันก็ต้องกลับเข้าท่าใหม่ดังั้นเรือก็จะไม่สามารถไปถึงฝั่งของพระนิพพานได้ ถ้าอยากจะไปฝั่งของพันิยพานก็ต้องไปแบบไม่กลับไปแล้วก็ไปเลยออกจากบ้านแล้วก็ไม่กลับเข้าบ้านอีกต่อไปไม่กลับเข้าหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆดังนั้นในการสอนมรรคของพระพุทธเจ้าแก่บุคคลแต่ละจําพวกจึงสอนไม่เหมือนกันถ้าสอนให้กับกาลาวะญาติโยมก็สอนให้ทำทานก่อน เมื่อทำทานได้แล้วพวกที่ทำทานได้พวกที่ไม่ไม่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองอก็สอนให้ไปรักษาศีลให้ไปออกบวชต่อไปอรักษาศีลห้าได้ก็ให้รักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสองร้อยยิบเจ็ดให้ไปอยู่แบบนักบวช พอพวกที่ไปอยู่แบบนักบวชได้รักษาศีลได้พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้นั่งสมาธิกันให้ฝึกสมาธิทําจิตใจให้สงบกันสะครพวกที่มีสมาธิแล้วก็สอนให้เจริญปัญญากันให้พิจารณาให้เห็นอริยสัจให้เห็นให้เห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาทุกขังเพราะมีตัณกิเลสตัณหาไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็เลยทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดกิเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาความอยากขึ้นมาพอมีอะไรพอเห็นอะไรชอบก็อยากได้ขึ้นมาเห็นอะไรไม่ชอบก็อยากที่จะกำจัดมันความอยากเหล่านี้ เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันต้องใช้ปัญญาศึกษาให้เข้าใจเราจะได้กําจัดเวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมานี้ก็คือวิธีทําให้ศาสนานี้อยู่กับโลกไปได้นานๆต้องอยู่ ศาสนาจะอยู่ได้นานก็อยู่ด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากศึกษาแล้วก็นําเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติเพราะถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการรู้แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้แต่ยังทําไม่ได้เช่นรู้จักวิธีว่ายน้ําแต่ยังไม่เคยลงน้ำว่ายน้ยํายังไม่เป็น เมื่อรู้จักวิธีว่าน้าแล้วก็ต้องลงไปลงไปในน้าหัดไหว้ไหว้ให้เป็นถ้าว่ว้ให้เป็นแล้วทีนี้ก็ถึงถือว่าเป็นผู้ที่ไหว้น้ำได้สอนคนอื่นได้ต่อไปถ้ายังถ้าเพียงแต่รู้วิธีแต่ยังไหว้ไม่เป็นนี่ไปสอนคนอื่นนี่ก็สอนไม่ได้ยันใดถ้ารู้วิธีที่จะ กำจัดกิเลสตัณหารู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจแต่ถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าเวลาไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไร น่าจะทำอย่างไรเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาต้องปฏิบัติถึงจะรู้ถึงแม้ปฏิบัติเบื้องต้นก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกก็ได้เพราะวิธีกำจัดความทุกข์ของที่เคยกำจัดมันยังฝังเลือกอยู่ในใจนั่นเองเช่นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจแทนที่จะหยุดความอยากกลับไปทำตามความอยากก็ได้โดยไม่รู้สึกตัว โดยลืมไปว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดจากความอยากเช่นอยากสูบบุหรี่พออยากสูบบุหรี่ก็มือก็ไปหยิบบุหรี่มาสูบพอเมื่อได้สูบบุหรี่แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ได้อย่างถูกต้องกําจัดได้เพียงชั่วคราว พอมีความทุกจากการอยากสูบบุหรี่พอได้สูบบุหรี่ความทุกขนั้นก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งความอยากสูบบุหรี่ใหม่ก็โผล่ขึ้นมาม<อ>ก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะกําจัดความทุกขที่เกิดจากความอยากได้เพราะวิธีที่ถูกต้องนั้นจะต้องไม่ทําตามความอยากเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไปนั่งสมาธิแทนเอ ทำใจให้สงบพอใจสงบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสู่บุรีก็หายไปแล้วความอยากที่จะสู่บุรีมันก็จะไม่กลับมาถ้ากลับมามันก็กลับมาเบากว่าเบากว่าก่อนมันจะค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆความอยากทุกครั้งที่เราฝืนมันปฏิเสธมันมันก็จะหมดไปในที่สุด นี่คือเรื่องของการปฏิบัติกับเรื่องของการศึกษาไม่เหมือนกันการศึกษานี้เพียงแต่รู้จักวิธีแต่พอเจอเจอปัญหาเข้าจริงๆนี่บางทีก็ยังแก้ไม่ได้กว่าจะแก้ได้ก็ต้องก็ต้องอ <c oughs> เพียรพยายามแก้ไปได้เรื่อยกลับมาศึกษาใหม่กลับมา ดูหมายว่าเราทำผิดตรงไหนทำไมจึงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ทำไมจึงยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาตัวนี้ได้เพราะปัญญาของเรายัางไม่เห็นอย่างชัดเจนหรือลือลมไปเผลอไปอพอเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาที่เคยได้ศึกษามาไม่รู้หายไปไหนหมดออปัญญาที่สอนว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยาก สิ่งที่อยากได้ก็ไม่เที่ยงให้ความสุขเดียวๆลืมหมดตอนที่เกิดความอยากนี่มันคิดได้เพียงอย่างเดียวว่าต้องทำตามความอยากให้ได้ต้องเอาสิ่งที่อยากให้ได้เท่านั้นเองอันนี้ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้จะคิดว่าการศึกษานี้พอเพียงต่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆ แต่มันไม่สามารถกำจัดได้ผู้ที่เรียนจบพระไตรปิฎกก็ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาต้องจะกำจัดความทุกข์นี่ต้องกำจัดด้วยการปฏิบัติแลวต้องกำจัดตอนที่มันเกิดความทุกข์เนืถ้ามันยังไม่เกิดความทุกข์เราก็ยังไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมันมีหรือไม่มีเราต้องรอตอนที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเราก็จะรีบค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรตามหลักคำคําสอนท่านก็สอนว่าเกิดจากกิเลสตัณหานี่เองเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรลองไปค้นดูว่าเราไปอยากอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่าทุกข์กับคนนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไม่ชอบเขาใช่เปล่าไม่ชอบเขาเพราะแล้ว เมื่อเราไม่ชอบเขาแล้วทำยังไงเราก็อยากจะให้เขาไปไม่ให้ไม่ให้เขาอยู่กับเราแต่ถ้าเขายังไม่ไปทุกครั้งที่เห็นเขาเราก็ยังทุกข์กับเขาอยู่ที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาไปไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่หรือไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นเขาที่เราเห็นเขาแล้วเราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาไปแต่เขายังไม่ไป ถ้าเรามาหยุดความอยากให้เขาไปได้เราจะไม่ทุกเวลาที่เราเห็นเขาเจอเขาเห็นเขาก็จะเฉยเฉยได้เพราะเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาไปเขาอยากจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเราต้องเห็นเขาว่าว่าเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ไปสั่งเขาได้เพราะตามหลักธรรมท่านแสดงว่าเขาเป็นอนัตตานั่นเอง เขาไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับสั่งเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเราไม่สามารถทำให้เขาไปได้เมื่อเราไม่สามารถทำให้เขาไปได้เราก็อย่าไปอยากเสียก็หมดเรื่องเพราะเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากหยุดความอยาก อยากให้เขาไปก็เปลี่ยนใจหม่ไม่อยากแล้วก็ได้เขาจะอยู่ก็อยู่ไปพอหยุดความอยากให้เขาไปได้ความไม่สบายใจก็จะหายไปทุกครั้งเจอเขาก็จะรู้สึกเฉยๆได้ น, นี้เรื่องของการปฏิบัติจะรู้ว่าดับความทุกข์ได้หยุดความอยากได้หรือไม่ต้องมีเหตุการณ์จริงปรากฏขึ้นมาถึงจะรู้ได้อย่างชัดเจน ว่าเราหยุดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วหรือยังเราหยุดความอยากเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วหรือยังถ้าเพียงแต่มานั่งคิดเฉยๆคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราจะเลิกบุหรี่เมื่อไหร่ก็เลิกได้คิดอย่างนี้ก็คิดได้เพราะว่ายังไม่ได้สูบยังไม่มีความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี้จะทำอย่างที่พูดได้หรือเปล่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เห็นก็เลิกเดี๋ยวนี้สิ ทำไมไม่เลิกคนที่คุยว่าอจจะเลิกบุหลี่เมื่อไหร่ก็เลิกได้แต่ไม่เลิกสักทีอันนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงตัวเองเท่านั้นเองเพราะความจริงแล้วก็เลิกไม่ได้เพราะไม่ยอมฝืนความอยากไม่ยอมสู้กับความอยากไม่ยอมฝึกสมาธิผู้ที่จะสู้กับความอยากได้นี้จะต้องฝึกสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกำลัง กำลังสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมามันจะทําให้ใจนีิสัน่นทําให้ใจนิทุกข์ขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้เข้าสมาธิได้เวลาที่เกิดความอยากแล้วใจเราสัน่นเราก็เข้าไปสมาธิแทนแทนที่จะไปทําตามความอยากเราก็ไม่ทําตามความอยากเราไปเข้าสมาธิแทนนั่งสมาธิแทน ตอนเรานั่งสมาธิได้ใจสงบได้เราก็ไม่ต้องทำตามความอยากเพราะความทรมานที่เกิดจากความอยากมันก็หายไปหายด้วยกําลังของสมาธินี่ก็คือวิธีของการปฏิบัติที่ต่างจากการศึกษา อ, อย่างนั้นถ้าไปเรียนรู้จากผู้ที่ศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย เราปฏิบัติแล้วเรามีปัญหาไปถามเขาเขาจะตอบไม่ได้เขาจะไม่รู้วิธีแก้ปัญหาว่าจะต้องแก้อย่างไรเพราะตัวเขาเองเขายังไม่ได้ไปเจอปัญหาและไม่ได้แก้ปัญหาด้วยตนเองเท่านั้นเองอยั้งการที่จะไปเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้จะไม่สามารถเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถสอนให้ผู้ที่ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเมื่อผู้สอนเองยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปสอนให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัตินี้ยังถือว่าไม่เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปจะเป็นพระโสดาบันได้นี้ นอกจากศึกษาแล้วก็ต้องไปปฏิบัตินไปกำจัดกิเลสตัณหาที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจพอกำจัดได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็จะรู้วิธีกำจัดอย่างถูกต้องว่าต้องกำจัดอย่างไรเวลาที่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแต่ละครั้งนี่แหละคือหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมนี้ ไม่ได้อยู่ที่จํานวนของพระภิกษุที่มาบวชนะครันวนนี้มันก็เป็นเหมือนกับปริมาณศาสนานี้เราไม่ได้มัดที่ปริมาณเราวัดที่คุณภาพผู้ที่มาบวชบวชแล้วศึกษาปฏิบัติและบรรลุ ก, กันกี่รูกอันนั้นเหมือนกับมหาวิทยาลัยนี่เขาวัดที่จํานวนของบัณฑิต ผู้ที่ได้จบปริญญาถ้ามาเรียนพันคนแล้วจบสามคนอย่างนี้เอก็จะรู้ว่าสติติของมหาลัยนี้ไม่ค่อยดีสอนแล้วมีนักเรียนปีหนึ่งเรียนพันคนแต่จบเพียงสามคนออย่างนี้ก็มีได้แค่จุดสามเปอร์เซ็นต์จุดก็แสดงว่าน้อยมากออถ้ามาเรียนพันคนแล้วจบพันคนนี้เอ จึงถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มขน้นที่สามารถผลิตบัณฑิตที่จะไปเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งศาสนาพุทธเราถ้าจะวัดเราจึงต้องมาวัดที่พระอริยบุคคลกันเพียงแต่ว่าเราไม่มีเครื่องวัดกันนั่นเองเพราะพระอริยะบุคคลนี้เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยบุคคลกัน เพราะมันเป็นเรื่องสันติิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตนเองได้เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่คนอื่นนี้แทบจะไม่สามารถรู้ได้เลยนอกจากว่าได้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วแล้วได้ไปสนทนาถามตอบคําถามกับพระอริยะบุคคลด้วยกันถึงจะสามารถรู้ได้ว่าผู้ที่เราสนทนาด้วยนี้เป็นพระอริยบุคคลหรือเปล่า เม่กับพวกที่จบปริญญาตรีนี้ถ้าไปคุยกับพวกที่จบปริญญาตรีก็จะรู้ว่าเขาจบหรือไม่จบว่าเราสามารถถามคำถามสําหรับผู้ที่รู้ผู้ที่จบปริญญาตรีจะตอบได้เท่านั้นถ้าผู้จบมัธยมนี้ถามไปเขาก็จะไม่สามารถตอบคำถามของผู้ที่จบปริญญาตรีได้จันด้ออยผ้าระยะบุคคลเวลาสนทนาทมกับใคร ก็จะสามารถวัดได้ว่าบุคคลที่ตนเองสนทนาด้วยนั้นเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ <c oughs> นี่คือเรื่องที่เราไม่สามารถวัดกันได้นอกจากมีโอกาสได้พบปะกันเราจะวัดเราก็ต้องมีมาตรฐานคือเราก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลก่อนเราถึงจะสามารถไปวัด ผู้อื่นได้ว่าเขาเป็นพระอริยะบุคคลหรือเปล่าดังนั้นศาสนาของเรานี้จะเจริญหรือเสื่อมบางทีเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะไปวัดความเจริญของศาสนาอยู่ที่จำนวนของโบสถ์ของเจดีย์ของวัดวาอารามถ้ามีวัดวาอารามมีโบสถ์สวยงามมีเจดีย์สวยงามมีกุฏิศาลาสวยงาม มีพระภิกษุมาบวชกันมากก็ก็ตามเราอาจจะหลงผิดไปคิดว่าศาสนากำลังเจริญก็ได้แต่ <c oughs> อาจจะเป็นความเจริญภายนอกถ้าเป็นผลไม้ ก, ก็เหมือนกับเจริญที่เปลือกแต่เนื้ออาจจะไม่มีเลยก็ได้หรือมีเพียงนิดเดียวเพราะเนื้อของศาสนาก็คือพระอริยบุคคล น, นี่เองการที่จะ มีพระอริยบุคคลได้ก็ต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเพื่อการหลุดพน้นี้ส่วนใหญ่จะต้องไปศึกษาไปปฏิบัติกันอยู่ในป่าในเขาเสียส่วนใหญ่เพราะที่ตั้งของศาสนาที่แท้จริงนี้คือป่าเขานี่เองป่าเขาลาแนวไพ่ ในยุคสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านจะอยู่ตามป่าตามเขากันท่านจะศึกษาท่านจะปฏิบัติตามป่าตามเขากันท่านจะไม่มาศึกษามาปฏิบัติในในบ้านในเมืองกันเพราะบรรยากาศของบ้านเมืองกับบรรยากาศของป่าเขานี้ไม่เหมือนกันเหมือนกับการปลูกข้าวเนี่ปลูกในที่ ที่มีน้ํามีดินดีกับปลูกที่มีน้ําน้อยมีดินไม่ดีนี่ก็จะได้ผลไม่เหมือนกันเช่นปลูกข้าวบนเขาเนี่ยจะได้ข้าวน้อยกว่าปลูกข้าวในที่ราบในที่ที่มีน้ําสมบูรณ์ในที่มีดินสมบูรณ์ะปลูกบนเขานี่ดินไม่สมบูรณ์น้ําไม่สมบูรณ์จะได้ข้าวน้อยฉันใดการ าการปลูกการสร้างพระอริยบุคคลก็เหมือนกันจําเป็นจะต้องไปปลูกไปสร้างในป่าในเขากันถ้าเราศึกษาพุทธประวัติศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาเนี่เราจะเห็นว่าบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายนี้ศึกษาและปฏิบัติในป่าในเขากันทั้งนั้น ศึกษาในบ้านในเมืองพอถึงเวลาก็ต้องปวลาปฏิบัติก็ต้องไปปฏิบัติตามป่าตามเขาเพราะธรรมนี้จะเจริญงอ่งงามขึ้นมาได้ต้องอาศัยที่สงบที่วิเวกที่ห่างไกลจากเครื่องบรบกวนจิตใจทั้งหลายก็คือแสงสีเสียงต่างๆของบ้านเมืองนี่เองถ้าอยู่ในบ้านในเมืองจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ได้ เห็นแสงเห็นภาพเดี๋ยวก็ได้กลิ่นได้รสอะไรต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้พอเกิดมีอะไรมายั่วยวนแล้วก็ดีไม่ดีก็ต้องไปเสพมันพอได้กิ่นขนมได้กินอาหารได้กิ่นเครื่องดื่มเห็นเครื่องดื่มจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นะต้องไปดื่มก่อนต้องไปกินก่อน มันก็จะทำให้ไม่สามารถฝึกสมาธิฝึกจิตให้สงบได้<ม>การจะฝึกจิตฝึกสมาธิให้สงบจึงจำเป็นจะต้องไปอยู่ที่วิเวกที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะมาคอยบครบกวนใจ<ม>อนอกจากอยู่ในป่าในเขาแล้วยังต้องมีวินัยต้องมีการคอยควบคุมบังคับใจให้ หยุดความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก็คือต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องคอยควบคุมความคิดด้วยการให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจิตมีคำบริกรรมพุทโธอยู่อย่างต่อเ น, นื่องจิตก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ไม่สามารถไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ได้เมื่อไม่คิดถึงก็จะเกิดไม่เกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากจิตก็จะสงบเข้าสู่ความสงบได้<ม>นี่คือถ้าอยากจะรู้ว่าศาสนาเจริญหรือไม่เจริญนี่ต้องไปวัดอยู่ที่จำนวนวัดป่าวัดเขาว่ามีมากมีน้อย ถ้าไปวัดดูที่วัดตามบ้านตามเมืองนี้จะไม่มีพระอริยบุคคลอยู่ในวัดตามบ้านตามเมืองดูงานศพของพระเวลาเขาเผาศพแล้วกระดูกของพระนี่ถ้าเป็นพระป่าพระเขานี้จะมีกระดูกกายเป็นพระธาตุกันแต่ถ้าเป็นพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองนี้แทบจะไม่มีกระดูกกายเป็นพระธาตุเลย การกลายเป็นพระธาตุของกระดูกนี้ก็แสดงว่าจิตได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระสาวกแล้วเป็นพระอรหันตสาวกแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถวัดดูความเจริญของศาสนาได้ศาสนาจะเจริญนี้อยู่ที่วัดป่าวัดเขามากกว่าอยู่ที่วัดบ้านวัดเมืองเออสมัยนี้เรามีวัดบ้านวัดเมืองมากกว่าวัดป่าวัดเขามาก มีพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองมากกว่าพระที่อยู่ตามป่าตามเขากัน เ, ออเราก็จะสามารถวัดได้ว่าออความเจริญของศาสนาเหล่านี้มีมากมีน้อยเพียงไร อ, อ, อันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นตัวศาสนาที่แท้จริงออก็คือตัวพ้องพระอริยบุคคลและตัวพระอริยบุคคลนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ก็อยู่ที่การศึกษา อยู่ที่การปฏิบัติอยู่อยู่ที่การบรรลุ ธ, ธรรมนี่เองแล้วการที่จะศึกษาปฏิบัติบรรลุ ธ, ธรรมได้นี้ก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขานั่นเองดังนั้นเราถ้าอยากจะได้เข้าถึงศาสนาอยากจะได้รับประโยชน์จากศาสนาเราก็ต้องมุ่งไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่ตามป่าตามเขาทั้งนั้นอยู่ตามวัดป่าวัดเขาถ้าเราไปศึกษากับพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองเราก็จะได้ความรู้เพียงครึ่งเดียวเราจะรู้ทางสู่การหลุดพ้นแต่เรายังจะไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเราปฏิบัติเองเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็จะยากกว่าถ้าเราได้ไปศึกษาจากพระอริยบุคคลและได้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่ที่พระอริยบุคคลแนะนำให้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าทุกรูปพระอริยสงสาวกทุกรูปนี้จะสอนเหมือนกัน ถ้าอยากจะศึกษาปฏิบัติให้บรรลุธรรมนี่ยาต้องไปศึกษาปฏิบัติตามที่สงบสงัดวิเวกถ้าไปศึกษาปฏิบัติตามสถานที่มีเอกรทึกคึกโครมมีแสงสีเสียงที่มาคอยลบกวนใจจะปฏิบัติไม่รู้เรื่องจะศึกษาไม่รู้เรื่องจะไม่สามารถเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้หลุดพน้นให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ต้องไปศึกษาจากสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกและปฏิบัติในสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วการบรรลุธรรมก็จะเป็นไปได้ตามลำดับอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของศาสนาของที่พวกเราเคารพนับถือกันเกิดจากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็เอาคาที่ทรงรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ ผู้ที่สนใจเมื่อนำเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อหลุดพ้นแล้วก็สามารถถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้ศาสนาจะอยู่ต่อไปได้ยืเรื่อยๆก็อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติและอยู่ที่การบรรษุธรรมนีเอง เมื่อบรรลุธรรมแล้วก็สามารถเผยแผ่ทําได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าไม่บรรลุก็จะเผยแผ่แบบผิ ด, ผดผิดถูกๆผู้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อไม่สามารถปฏิบัติได้ผลก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาได้ดังนั้นขอให้พวกเราให้เน้นอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรมนี่คือหัวใจของศาสนา ถ้าเราอยากจะให้ศาสนาอยู่คู่กับโลกไปเรื่อยๆเราต้องมาช่วยกันทำนุบบำรงพระพุทธศาสนาทำนุบำรงสนับสนุนการศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้มีการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมามากๆเพื่อจะได้มีผู้ที่มาช่วยเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นกันต่อไป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 จันโทปนะหราโสยธามณีโจติหราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวาโตอันตาราโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุทฒาปะจายิโน จตาโรโหทมาวทานติอายุวนโนสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากนั้นก็ขออนุญาตงดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสี่คนครับ y o u ู u ร้อยห้าสิบสี่คนครับส่วนวิุออนไลน์อซอฟต์แวร์มีปัญหาครับอะจาอ่าผู้รับฟังบนเขาร้อยเจ็ดสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยสามสิบสี่คนครับมีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลย มีคาถามจากบนข่าวนะคะแกรบนรมัสการพระอาจารย์เวลาเรานั่งสมาธิจิตชอบฟุ้งซ่านคิดเรื่อยเปื่อยพอเราดึงใจกลับมาที่พุทโธใหม่จิตก็คิดเรื่อยเปื่อยเหมือนเดิมจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมค่ะจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะสติเรามีกำลังน้อยมาก เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งก็สตินี้เราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนอนเราคอยหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อ ย, อยพอลืมตาขึ้นมาพอจะไปคิดก็ให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าจะคิดเรื่องจาเป็นก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราว ถ้าเรื่องไม่จำเป็นก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปต่อไปพุโทโธจะมีกำลังมากเวลานั่งสมาธิก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบได้ขาดสติต้องพยายามสร้างสติสติเป็นเหมือนเชือกตอนเริ่มต้นใหม่ๆเป็นเหมือนเชือกกล้วยจะไปจับลิงนี่พอลิงกะตกทีเชือกก็ขาด ยังต้องพยายามทําให้เชือกมันแข็งแรงเอาเชือกกล้วยหลายๆเส้นมามาประกบกันถ้าเป็นเชือกหลายๆเส้นประกบกันมันก็จะมีมีกําลังแข็งแรงจะได้ไม่ขาดอยู่เรื่อยๆคําถามจากลายกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมขอโอกาสถามเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ในขณะที่เรามีสมาธิแล้วนั้นเกิดเวทนาเราจะใช้ปัญญากับสมาธิผ่านทุกขเวทนาโดยวิธีใดบ้างครับคือถ้าเรามีสมาธิจริงเราจะเฉยกับทุกขเวทนาถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาอยู่ในสมาธินี้มันจะไม่ทุกขกับทุกขเวทนาแต่ถ้ามันทุกแสดงว่าจิตไม่สงบแล้ว ก็มีสองวิธีก็ทำให้มันสงบใหม่พุทธโธพุทธโธไปใหม่อย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาวิธีที่สองก็ให้ใช้ปัญญาแยกแยะเมธนาออกจากใจว่าใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายร่างกายมันทนได้มันไม่เดือดร้อน ผู้ที่ไม่เจ็บกับทนไม่ได้ก็คือใจเพราะใจไม่ชอบทุกขเวทนาพอไม่ชอบก็อยากให้มันหายก็ต้องมาหัดชอบมันถ้าชอบมันแล้วก็อยู่กับมันได้ฉะนั้นพยายามหัดชอบด้วยการอยู่กับมันไปพุทโธพุทโธไปเฉยๆไปแล้วต่อไปมันก็จะชินแล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้ต่อไปเวลามันมาเราก็จะไม่ไปรังเกียจมัน เราก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกมันก็จะตกแต่ถ้าเราไม่ไปรังเกียจเราไม่ไปไม่ชอบฝนฝนจะตกยังไงเราก็อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่ชอบฝนพอฝนตกเราก็อยากจะให้มันหายพอมันไม่หายใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันทุกขเวทนาก็เหมือนกับฝน ที่เราจะต้องรับมันให้ได้ต้องชอบมันให้ได้อย่าไปรังเกียจมันอย่าไปกลัวมันให้ถือว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเก่ามาหากันมาเยี่ยมเยียนกันเมื่อเขามาเยี่ยมเยียนก็ควรจะต้อนรับขับสายเขาขับอยินดีหาน้ำชาน้ำกาแฟมาเลี้ยงกัน อ, อย่าพึ่งไปอยู่นานๆ น, น, นะบอกอย่างนี้แล้วใจจะไม่ต่อต้านแล้วจะไม่ทรมาน คำถามจากคุณแก้วเคยฟังพระอาจารย์ตอบคำถามโยมคนหนึ่งว่าเมื่อใดที่มีการคิดเมื่อนั้นไม่ได้เจริญสติขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายละเอียดอีกทีได้ไหมคะและอันนี้หมายความว่ายกเว้นให้จิตคิดแต่พุทโธใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะมันคิดมันก็ใจก็ลอยนะถ้าเราอยากจะให้ใจตั้งมั่นไม่ลอยก็ต้องหยุดคิดนะ ถ้าใจหยุดคิดมันก็จะนิง่งจะสงบเพราะฉนั้นเวลามันคิดก็ต้องใช้สติหยุดมันสติถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุโทโธ<ม>พุโทโธจะเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาหด<ม>ึงมาหรือให้มันอยู่กับอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าไม่อยู่กับพุโทโธก็ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายก็ได้อนนี้กําลังทําอะไรก็บังคับให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามจากเฟซบุ๊กคุณมงคลกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าได้ฟังทำจากที่พระอาจารย์สอนว่าความอยากเกิดจากจิตใจไม่ใช่จากร่างกายแล้วผู้ที่ติดสุรายาเสพติดต่างๆนี้มีอาการอยากออกมาทางร่างกายจึงยังไม่ค่อยเข้าใจขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ คือความอยากมันอยู่ในใจความอยากมันไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ร่างกายมันก็มีปฏิกิริยากับยาเวลามันขาดยามันก็จะแสดงอาการเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาพอมันเกิดอาการทุกเวทนาขึ้นมามันก็ไปทําให้เกิดความทุกข์ทางใจพราใจอยากจะให้ความทุกข์เขเวทนานั้นหายไป ความอยากยา ก, ก็เหมือนกับตอนที่เราร่างกายอยากข้าวอย่างเงี้ยเวลาร่างกายอดข้าวขาดข้าวมันก็อยากข้า ว, ม, าาวมันก็ต้องกินข้าวตอนที่เกิดความหิวขึ้นมามันก็เป็นทุกขวเวทนาทางกายขึ้นมาพอมันเป็นทุกขนาทุกขเวทน า, ท, น า, ท, นาทางกายมันก็ไปกระตุ้นความทุกขทางใจเพราะใจไม่ชอบทุกขเวทนาทางกายก็อยากจะให้มันหาย พออยากจะให้มันหายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจถ้ามันยังไม่หายนั้นแต่ถ้าเรามาทําใจให้สงบอใจจะไม่ทุกข์กับความหิวของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความหิวยาของร่างกายก็ปล่อยมันหิวไปเดี๋ยวมันก็มันก็หยุดของมันเองเดี๋ยวมันมันก็หมดฤทธิ์มันก็จะหยุดเองนั้นเรื่องของความหิวของร่างกายไม่ใช่ความอยาก เป็นความหิวเพราะร่างกายมันเคยมีอะไรแล้วพอมันขาดมันก็จะแสดงอาการทุกข์ขึ้นมาอาการเจ็บปวดขึ้นมาทางร่างกายท่านั้นเองพอมันมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายมันก็ไปทําให้เกิดความเจ็บปวดทางใจเพราะใจไม่ชอบการเจ็บปวดของร่างกายอยากให้การเจ็บปวดของร่างกายหายไปแต่เรื่องของการเจ็บปวดของร่างกายมันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ใจไปสั่งมันได้ ดััใจก็ต้องรู้จักทำใจพอเกิดความเจ็บปวดของร่างกายก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับขงมันเองทำอะไรไม่ได้ถ้าไปทําแล้วมันจะไม่ได้แก้ปัญหาเช่นถ้าเกิดอาการเจ็บเพราะขาดยาเสพติดเแล้วเราไปเติมยาเสพติดให้มันมันหายเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่วิธีที่จะแก้อย่างถาวรก็คือ อย่าไปกินยาเสพติดแล้วต่อไปอาการขาดยาเสพติดมันก็จะหมดไปอาการหิวยาเสพติดมันก็จะหมดไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณวิลาวานันกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขอแนวทางการพิจารณาการเกิดดับและการพิจารณาน้อมลงสู่ไตรลักษณ์ ในชีวิตประจาวันด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ เ, เกิดดับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเพียงแต่ว่าจะดับช้าดับเร็วเท่านั้นเอง <Okay. S 2> ร่างกายนี้บางคนก็ดับเร็วบางคนก็ดับช้าบางคนเกิดมาวันหนึ่งก็ตายนี่ก็เกิดดับแล้วเด็กบางคนคลอดออกมาปั๊บเดียวไม่หายใจลวตายแล้ะภายในวันเดียวภายในไม่กี่ชั่วโมงก็มีหัวใจหยุดเต้น อาจจะเป็นเพราะหัวใจไม่เป็นปกติพัฒนาไม่ได้เต็มที่พอต้องมาทํางานก็ทําไม่ได้ก็หยุดเต้นหยุดเต้นก็ตายตายก็เรียกว่าดับทุกอย่างเกิดดับร่างกายก็เกิดดับเพียงแต่ว่าแต่ละร่างกายมันอาจจะดับช้าดับเร็วบางคนกว่าจะดับนุ่นร้อยกว่าปีก็มีถึงจะดับแต่มันก็ดับเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดับอย่าดับช้าดับเร็ว ของที่เราซื้อมาก็เวลาซื้อมาก็เหมือนกับมันเกิดเนี่ยตอนเวลาที่ผลิตมาจากโรงงานใหม่ๆมันก็เกิดเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดียวมันก็พังะพังก็ถือว่าดับใช้ไม่ได้แล้วเราก็โยนทิ้งไปทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ดอกไม้ที่เราเห็นที่เราไปซื้อมาจากร้าน ต, ตอนนั้นก็มันก็เพิ่งเกิดมาใหม่ๆมันก็ดูสวยงาม พอเรามัดปักใส่แจกันเทงไว้สักไม่กี่วันมันก็เฉามันก็เชฉ า, ม, ชามันก็เหี่ยวอันนี้ก็ดับเหมือนกันนี่คือการเกิดดับถ้าเราสังเกต ด, ดูทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการมาแล้วการไปมีการเกิดแล้วการดับทั้งนั้นช้าหรือเร็วเท่านั้นต่างกันตรงนั้นเนี่ยคำถามจากบนเขากราบนมาสการหลวงพ่อครับผมจะวางลมหายใจสุดท้ายอย่างไร เมื่อเวลานั้นมาถึงครับก็ไม่หายใจเท่านั้นแต่จะไปวางยังไงไม่จะไปวางหายใจวางใจจะวางใจอย่างไรก็ใจเฉยเสียใจให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้มีลมหายใจพอไม่มีลมหายใจก็รู้ว่าไม่มีลมหายใจเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้หมดไปกับลมหายใจใจยังอยู่ต่อก็ฝึกสติให้ใจรู้เฉยเฉย ส่วนใหญ่ใจเราไม่รู้เฉยๆมันจะตื่นเต้นตกใจล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวบางทีเป็นลมไปซะก่อนหมดสติไปซะก่อนตอนที่จะตา ย, ยตายแบบหลงตายแบบไม่รู้เรื่องตายแบบไปเกิดใหม่ถ้าตายแบบไม่ไปเกิดใหม่ก็ให้มีสติรู้ไปเฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายไม่มีลมหายใจแนละ้วไม่มีแต่ใจก็ยังอยู่ใจก็เฉย ถ้าใจเฉยใจก็ไม่ไปเกิดใหม่ <c oughs> คำถามจากบนเขากราบนามัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพยอย่างสูงกราบขอบพระอาจารย์ช่วยเทศปโปรดเด็กป่วยเป็นมะเร็งมีเนื้องอกในร่างกายในกุลอุบายรักษาใจและการเตรียมความพร้อมกราบขอบพระคุณเจ้ า, าค่ะก็ใพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราเราเป็นนายจ้างเราจ้างร่างกายมาทํางานให้กับเราเหมือนเราจ้างคนใช้มาช่วยกวาดบ้านถูบ้านทํากับข้าวทําอะไรต่างๆให้กับเราเดี๋ยวเวลาเขาไม่สบายเขาก็ต้องไปรักษาตัวะถ้าเขารักษาไม่หายเขาก็ตายแต่เราเป็นคนจ้างเขาเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขา ใจนี้เป็นนายจ้างเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเวลาคนรับใช้คือร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับคนรับใช้ใจก็เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผู้รับรู้ความตายของร่างกายเท่านั้นเองนี่คือวิธีแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่ไป ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ใจเราเจ็บเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็เลยอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายหายความอยากไม่เจ็บความอยากให้มันหายนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกทรมานไม่สบายใจเราต้องหยุดตัวนี้หยุดตัวความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บ ให้ร่างกายหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากไปอยากมันแต่เรารักษามันได้มียาก็รักษาไปกินได้ก็กินไปรักษาได้ก็รักษาไปส่วนจะหายไม่หายนีเราอยากไปอยากเพราะอยากเออเดี๋ยวเวลามันไม่หายเราจะทรมานใจถ้าเราไม่อยากจะทรมานใจเราก็รักษาไปตามอาการตามสภาพตามกำลังของยาของหมอ หายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปออทำอย่างนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ทรมานกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายใจเราจะเป็นเหมือนไม่เหมือนตอนที่ร่างกายไม่เจ็บจะเฉยเฉยเนาะอาจทําใจให้เฉยถ้ามันไม่ยอมเฉยก็ต้องใช้สติทําให้มันเฉยใช้พุทโธพุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วมันจะเฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย มันจะปล่่อยยวาาางงรกได้คำถามจากคุณชานันเวียงนนท์กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเรากำหนดพุทโธแล้วรู้สึกอึดอัดจะมีวิธีแก้ไขหรือต้องกำหนดอย่างไรเจ้าคะถ้ายังอึดอัดก็ให้สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์สวดยาวๆสวดไปนานๆสวดไปจนรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะสวด แล้วก็ลองมาพุทโธใหม่หรือดูลมหายใจก็ได้ถ้าเหนื่อยไม่อยากจะพุทโธก็ดูลมหายใจแทนพุทโธก็ได้คำถามจากคุณทูหลวงพ่อครับทำอย่างไรนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเย็นได้ครับต้องรักษาสิ่งแปดสิสิบหรือเปล่าครับ อ, อ๋อสิ่นี้ก็เป็นส่วนประกอบ ส่วนที่จะทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิกันนั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปดูหนังได้ไปดูละครได้ไปไปเที่ยวได้แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราทำไม่ได้เราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิแต่การมีเวลานั่งไม่ได้หมายความว่านั่งเราจะสงบได้จะสงบต้องมีสติคอยควบคุมใจ สตินี้เป็นเหมือนเชือกที่จะผูกใจที่เป็นเหมือนลิงครถ้าอยากจะให้ลิงมันอยู่เฉยๆต้องเอาเชือกมามาัดตัวลิงให้มันแน่นมัดไว้กับเสาแล้วมันก็จะดิ้นไม่ได้ไปไหนทำอะไรไม่ได้ฉันใดใจเราจะหยุดคิดจะสงบได้เราต้องมีสติต้องให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปบังคับใจให้มันอยู่กับพุทโธผูกมันให้อยู่กับติดกับพุทโธไป ถ้าอยู th ่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวเดียวมันก็น like so ิ่งเดี๋ยวมันก็สงบได้หรือใช้อย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช้พุทโธจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้อยู่ตรงจุดที่มันเข้าออกอยู่จุดเดียวเพื่อมันจะได้นิ่งถ้าตามเข้าออกมันชักเข้าชักออกแล้วมันจะไม่นิ่ง คำถามจากคุณพัชรีกราบนามัสการหลวงพ่อถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแต่เราทําบุญทําทานทําด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีความแตกต่างกันมากไหมเจ้าคะเราก็ได้ความสุขน้อยกว่าความสุขที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิความสุขจากการทําบุญก็เหมือนเงินร้อยบาทน ความสุขจากงานนั่งสมาธิก็เหมือน 500, 000, เงินห้าร้อยเงินพันต่างกันตรงนั้นถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าทาบุญก็ต้องนั่งสมาธิคำถามจากคุณเทพธิดากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถือศีลแปดที่บ้านในวันพระจะเป็นศีลอุโบสถใหม่คะแล้วอนิสงฆ์เท่ากันใหม่คะ อ่าไม่เท่ากันมันไม่เพราะมันไม่ได้อยู่ที่อุโบสถเนี่ยจะศีลอุโบสถก็ต้องไปอยู่ที่อุโบสถคําว่าอุโบสถก็คือโบสถ์พวกญาติโยงที่ไปอยู่วัดเขาไม่มีที่อยู่เขาก็ไปอยู่ที่โบสถ์กันไปทํากิจกรรมที่นั่นไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็พักผ่อนหลับนอนที่นั่นไปเพราะอยู่กันชั่วคราวอยู่แค่คืนเดียวเขาเลยถือว่าการถืออุโบสถอุโบสถ ถือศีลแปดที่พระโอโบสถเรียกว่าเป็นโอโบสถศีแลแต่ก็เป็นศีลแปดเหมือนกันถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราทํากิจกรรมเหมือนกับที่เราอยู่ที่ในโบสถ์ก็ได้อา น, นิสงส์เหมือนกันอา น, นิสงส์อยู่ที่การกระทําอยู่ที่การรักษาเองแต่ว่าที่บ้านมันอาจจะรักษายากกว่าเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเกิดใครก็ทํากับข้าวกินชวยขึ้นมาหรือใครมาชวนกินข้าวไหมเดี๋ยวมันก็ตะปะแตก เดี๋ยวอาจจะรักษาศีลแปดไม่ได้เลยถ้านั่งสมาธิก็สงบยากเพราะกลิ่นมันคอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆใจก็คอยคิดอยู่กับเรื่องของอาหารมันก็เลยไม่สงบผลเลยได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้เท่ากับที่อยู่ที่โบสถ์ที่พระอุโบสถเพราะที่พระอุโบสถนี้มีบรรยากาศที่สงบกว่าไม่มีใครทำกับข้าวไม่มีใครกินข้าวเย็น ไม่มีใครเปิดเพลงฟังไม่มีใครเปิดละครดูเพราฉนั้นสิ่งที่จะมารบกวนความสงบก็มีน้อยกว่าแต่ถ้าเราอยู่บ้านที่สงบอยู่คนเดียวเ อ, อไม่มีใครมารบกวนมันก็เหมือนอยู่ที่อุโบสถใช้ได้เหมือนกันออคำถานจากคุณสันพบกราบเรียนถามพระคุณเจ้าครับผมนอนแล้วไม่ฝันอะไรเลยเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง มันเป็นการดีหรือไม่ดีครับปกติชอบสวดมนต์เป็นกิจวัตรเวลาสวด จ, จะพยายามให้เสียงที่เปล่งออกมามีความกลางวานและเหมือนมีความสันสะเทือนไปยังข้างในร่างกายของเราแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกคือการสวดนี่เราไม่ต้องการให้มันสันสะเทือนไม่ให้มันกลางวานสวดเพื่อให้ใจเราสงบ สวดเพื่อให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้การสวดนี้เป็นอุบายของการฝึกสติการเจริญสติเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆเดียวเราก็อดคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเรามาสวดเราก็หยุดคิดพอหยุดคิดเราก็หยุดอยากพอหยุดคิดหยุดอยากใจก็จะสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาการสวดนี้สวยเพื่อให้เรามีความสุขไม่ได้ให้มันกลางวานไปทั่วจั ก, กรวาล ไม่ได้สวดเพื่อให้เทวดามาฟังไม่ได้สวดเพื่อให้มันสั่นสะท้านไปทั่วร่างกายนะอันนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการสวดบ น, นสวดบนเพื่อให้ใจมีสติให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ใจสงบมีความสุขจากความสงบนั้นคําถามจากคุณเจี๊ยบกราบนมัสการพระอาจารย์และขอเรียนถามว่า ขณะ น, นี้ต้องดูแลคุณยายอายุ89ปีและนอนติดเตียงแล้วท่านเพิ่งกลับมาพักฟื้นที่บ้านขณะ น, นี้จิตใจของท่านค่อนข้างตกใจง่ายและกลัวทุกอย่างเช่นตัดเตียงให้หัวสูงเพื่อให้อาหารก็ร้องให้น้ำดื่มคืนลำบากก็ตกใจคว้าหาลูกนอนถ้าไม่หลับก็จะคราง มองหาและยกมือเรียกลูกหลานตลอดเป็นต้นแบบนี้เรียกว่าจิตอ่อนใหม่เจ้าคะและจะให้ท่านสงบจิตใจอย่างไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณคะ่ะพระอาจารย์จิตอ่อนเพราะสติน้อยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้พอรู้สึกนึกคิดอะไรก็สแสดงออกมาพอกลัวก็สแสดงออกมาะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีให้จิตสงบ วิธีสงบส่วนหนึ่งก็ถ้าสวดมนต์ได้ก็ให้คุณยายลองมัดสวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าสวดไม่ได้ถ้าคุณยายฟังธรรมะได้ก็เปิดธรรมะให้คุณยายฟังไปการสวดมนต์ก็ดีการฟังเทศฟังธรรมก็ดีก็เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งได้คำถามจากคุณอารีรัตน์กราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ เวลาเรานั่งจิตสงบร่างกายหายมีแต่ตัวรู้ทำไมเหมือน 5-10 นาทีแต่ออกสมาธิมาที่จริงเกือบชั่วโมงแล้วก็ตัดความทุกข์ที่สุดได้หนึ่งตัวทุกขอความเมตตาอธิบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเจ้าค่ะคือเวลาเราอยู่กับความสงบนี้เหมือนกับเราอยู่ที่กับความว่าง พอเราอยู่ความว่างอะไรผ่านไปผ่านมาเราก็จะไม่รับรู้มันก็เลยอาจจะเหมือนกับว่ามันผ่านไปเดียวเดียวพอเราออกมารับรู้เราถึงจะรู้ว่ามันผ่านไปนานเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยนอนหลับเราก็ไม่รับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเราคิดวล า, านอนแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ที่ไหนได้สี่ห้าชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ได้ มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองอย่าไปกังวลกับมันไม่มีสาระสาคัญอะไรตรงไหนมีคําถามจากไลน์นะคะนรมาสการค่ะยมขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าอะไรทําจิตเรามีอวิชชาวงเล็บโง่ค่ะ อ, อ๋อมันเป็นธรรมชาติของจิตเดิมไงจิตเดิมนี้มีอวิชาเป็นผู้กํากับจิตเนี่ย เราจึงต้องอาศัยวิชาคือธรรมะของพระเจ้ามาแก้อวิชาถ้าเราไม่ได้เจอธรรมะไม่ได้เจอคำสอนของพระเจ้าเราก็จะโง่ไปเรื่อยๆคำถามจากคุณเจีย๊ยบเปลี่ยนถามพระอาจารย์ค่ะอิฉันฟังสวดมนต์ทำวัดเยน็นคำว่าสี่คู่บุรุษแปดบุรุษ หมายความว่าอย่างไรคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะก็พระอริยะบุคคลยไงพระอริยะบุคคลนี้มีอยู่สี่เรียกว่าสี่บุรุษนี่แต่ละบุรุษนี่เขาจะเป็นคู่คือก่อนที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเขาจะต้องเป็นอริยามาร ก, ก่อนคือเขาจะต้องเป็นนักศึกษาก่อนก่อนที่เขาจะรับปริญญาใช่ไหมก่อนจะจบปริญญาตรีนี่เราต้องเป็นนักศึกษาอยู่สี่ปี เรที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เรียกอนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีแต่ยังไม่ได้เป็นผู้จบปริญญาตรีจันได้พระระยะบุคคลที่มีอยู่สระดับก็เหมือนกับนักศึกษาระดับปริญญาต่างๆพระโสดาบันนี้ก่อนจะเป็นพระโสดาบานันก่อนจะบรรลุพระโสดาบันได้ก็ต้องผ่านพระโสดาปฏิมากษ์ก่อนต้องศึกษาต้องปฏิบัติธรรมของพระโสดาก่อน ถึงจะได้เป็นพระโสดาบันได้ถึงเลือกว่านหนึ่งคู่โสดาปฏิมรกโสดาปฏิผลคือมร์กับผลมร์ก็คือช่วงที่เรียนหนังสือช่วงที่ปฏิบัติพอเรียนหนังสือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถฆ่ากิเลสระดับนั้นได้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดขั้นที่สองก็เหมือนกันก็มีกิเลสที่ต้องศึกษาที่ต้องปฏิบัติที่จะต้องกําจัดช่วงที่กําจัดแล้วก็เรียกว่ามร์เพราะกำจัดเสร็จก็เรียกว่าผล ก็เป็นสกิดาคามีมักสกิดาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลก็าถึงเรียกว่าเป็นสี่คู่แปดบุรุษมีมักผลมักมักผลเป็นบุรุษโสดาบันมีสองบุคคลโสดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลเก็ถึงเรียกว่าแปดบุคคลแต่มีสี่คู่ ความจริงมีสี่คนนั้นนะ่ะมีพระอริยะสี่คนแต่ก่อนจะเป็นพระอริยะต้องผ่านมรรคก่อนคำถามจากคุณทูหลวงพ่อครับรักษาศีลห้านั่งสมาธิแล้วจิตหายไม่รู้สงบไม่เย็นจิตเป็นอะไรหรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็หายได้สองแบบหายแบบหลับคือไม่เวสติก็ไม่รู้ว่าจิตหายไปไหนอ ถ้าหายแบบมีสติจะรู้ว่าจิตยังอยู่คือผู้รู้ยังอยู่ถ้าจิตหายแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็แสดงว่าหลับสติไม่มีกําลังพอพอจิตเคลิบเคลื่อนไปเหมือนคนสันั่งสประงกหลับไปอย่างนั้นเรียกว่าจิตหายแบบหลับ <c oughs> ถ้าจิตสังบนี้จิตจะไม่หายจะรู้จะสักแต่ว่ารู้รู้ว่าอย่างอื่นหายรู้ว่าความคิดหายไปรู้ว่าร่างกายหายไปแต่จิตผู้รู้ไม่หาย อันนี้เรียกว่าสมาธิอ๋อคำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณมิราวันชัยมงคลสกุลกราบเรียนถามในชีวิตประจําวันจําเป็นไหมที่เราต้องอาราธนาศีลห้าประจําวันเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่ต้องหรอกอาราธนาอาราธนาศีลครั้งเดียวก็พอถ้าเราไม่ไม่เลือกรักษาเราก็รักษาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารักษาแบบวันต่อวัน เช่นวันนี้รักษาแล้วพรุ่งนี้หยุดรักษาแล้วไปรักษามัลินเราก็ต้องอราธนาใหม่แต่การอลาธนานี้ไม่จําเป็นจะต้องไปอราธนากับพระเราตั้งจิตขึ้นมากล่าวคาอราธนาภายในใจเราก็ได้ว่าวันนี้จะขอรักษาศีหน้าเมื่อเราขอเสร็จเราก็รักษาต่อไปคือการอราธนาก็แปลว่าความตั้งใจนั่นเองตั้งใจจะรักษาสีหรือไม่รักษาสี แต่ถ้าเรารักษาศีลอยู่เป็นปกติแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งใจ mm hmm. เราจะตั้งใจต่อเมื่อเราเลิกรักษาแล้วเราอยากจะกลับมารักษาใหม่เราก็ต้องตั้งใจเท mm hmm. ่านั้นเองครับแนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพินพจานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร